ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัด น, นี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่าน อันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้นเพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึ่งอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้น บางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเรา เพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นภาตรู้มาตั้งแต่ร่างเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีไม่มีพลังงานคือตัวสติ หรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกครูนึกรููคิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไปในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบ คิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิต เหลือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็น สิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิดตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีเกเลี่ยง อย่างบางครั้งจิตตรงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดๆแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามา น, นึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าชัดไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่ง ดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสนาในศาสนานั้นๆจะ ตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสีห้าให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอน แล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีลห้าข้อนี้มีก่อนพุทธการคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีลห้าไม่เคยเสื่อมสู์ไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริม คนผู้ปฏิบัติศีลห้าจึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีลห้าข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีลห้าข้อนี้เป็นบาตรตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองซึ่งไม่มีอคติลำเอียงหรือยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละละบาปคือความชั่ว ดังพุทธภาสิติว่าสัพป า, าปัสสะอักระนังการไม่ทำบาต ท, ทั้งูมิก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีลห้าข้อดังที่ด้านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่า ถ้ารักษาศีลห้าแล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีลห้าเป็นคุ ณ, ณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากัน ลองคิดตูวิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่พ้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ําใจกันคือการเมศสมิาชาจันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวร การดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟัน่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นเสี้ยนห้าข้อนี้จึงเป็นคุ ณ, ณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สอง โดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นอย่างใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวญของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวญอะไรทานองนี้ทีนี้ศีหานี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเบญเมื่อเราเราเพิ่มปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นนว่าตัดกรรมตัดเบญซึ่งเป็นกรรมเป็นเวญที่เป็นชนวนให้เกิดมีการปทุสรายซึ่งกันและกัน หรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าพบหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุดติกรรมยุดติการทำกรรมทำเวร ทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่อให้กำลังใจซึ่งกันและกัน แต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็าตามกรรมชั่วกว็าตามกรรมที่ไปบุญก็าตามเป็นบาปก็าตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อเคอตัด โดยไม่ทำต่อไปหยุดกันแคแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริภูนแล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้อง คือตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทําบาตรํากรรมังเสียทั้งแต่บัดนี้ได้เ ว, ว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรและศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบัณฑ์ถอนกำลังของกิเลสโลภโกรธห ล, ลงให้น้อยลงหรือหมดไป คนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทางนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศสูวกันฟังอยู่นั่นแหละทางทั้งที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่ายมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปสะนะ แต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันแต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็าตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลกโกรธสมเราก็ซาทุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้ า, าว่าเราละได้ตามคำแนะนําที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนา ใครจะไม่อยากละกิเลสโลกโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแนละ้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าพวกเราละไม่ได้นะเราจะทําอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจจะณาดูจิตตูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลกโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริง รับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรดหลงอยู่อ้าวเมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรดหลงนี่มันจะมีแต่เสียหายเดียวหรือหรือว่าทางที่จะอดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปจากนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่า ที่เรามีความทเยอทยานอยากได้อยากตียากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความ ท, เ ย, ท, ยาามทเยอทะยานในความอยากได้อยากตีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียงห้าอย่างเท่านั้นแหละ คือหนึ่งความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์สองความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์สามสันเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงามสความสุขหาอำนาจสิ่งทั้งห้านี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจรึงต้องการเพราะเรามีความโลภ สิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลสสามกองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทยานในความอยากได้อยากตีอยากมีอยากเป็นและเสียงดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสแสวงหาได้ด้วยกันทางนั้น เมื่อเราถ้าเยอทะยานในรากในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการสแสวงหาแต่การสแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีลห้าประการนั้นเองใครจะมีความถ้าเย่อทยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไป โกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความ่ศึรให้มันิชมิดโกรธความ่ีัวิชาความรู้เกิดโกรธความ่กาเ่รัติชดีปฏให้มัตีิชอบศลให้มีธศลรมีวารรม แล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดีการทำอันใดที่ไม่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถ ะ, ะประโยชน์ ท่านสอนว่าอุธานสัมปทาจงมันขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก, ก็ไม่เกิดความมันความขยันทีนี้ถ้าาถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการ โดยงดเป็นอธินาทานบาปกรรมอันไดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อสแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักษะสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์ในใี่คล้ายกับสอนให้เราเกิดความตนนีที่เหนียวขึ้นมาอีก เพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องตานีต้องตานีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตานีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เท่าชลาลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องอยากจน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผ ล, ผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักษสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบานซึ่งเรียกว่ากัญยาณมิตรตาคบมิตรที่ดี แต่ความจริงการพขาเมตที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมะชีวิตาเรี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะ อันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปเพดพฤิเพื่อเหตุศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมือง ไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตาหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้ า, าว่าไปประเพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตาหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าส่งสอนและประการสำคัญที่สุดเศรษฐาประการนี้เป็นคุณธรรมปรับเพื่นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีลห้าเป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้เลย ละบาปละความทั่วก็ศีลห้าละกิเลสก็อาศัยศีลห้าถ้าเรามั่นในศีลห้าแล้วมันจะบัทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาบาจยาฆาญาดาญาตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้อทินนาทานอย่ารักขโมยช่อโกองขีปลน เมื่อมันมันมวมเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอ า, เอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลธรรมในประการสำคัญที่สุดศีลห้าประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบ ก, การปกครองแบบประชาธิปไตย พระหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษย์ชนผู้มีศีลห้าข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการนำลงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตย ถามว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ล่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ล่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีลห้าเป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีลห้าถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นกา ร, ปรเป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคม เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิต ข, ของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรมมัจรันเป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่ว เหลือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกนจิตทุกลมหายใจ ได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงแปลงไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกําหนดสติ ตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจดกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิต ปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนกล่องตัวชำนิสำนานแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุง้งซ่าน ให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจนสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปับ๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติ เวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิว่างว่างซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟัง ได้แก่สมถภ า, าวนาทีนี้วิธีการทำสมถภ า, าวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุโทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุโทโธถ้าจิตอยู่กับพุโทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุโทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้ จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไ ป, ยไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปคิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่ตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งรละลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไป ไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพโพธิโยบหนอพองหนอสัมมาระหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้น ในมาเที่ยงอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณา ท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดเคิด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคำภีมาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงก์มากๆอะไรทำนองนี้ ่านเคิด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกัน คือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารณปีติสุกเอกคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารณถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุข เมื่อมีความสุขแล้วจิตสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบจากมีความคิดอยู่ไม่ยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งข่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิ จะเข้าไปสู่อุปจาะระสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตสุกับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตสุกับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไป ถ้าว่าจิตมีอาการสงบโงเนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไป เพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบไว้ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบไว้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียว ธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งละเลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทาจิตให้ว่างจงทาจิตให้ว่างที่นี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรละีเขียนหนังสือเล่มเลอะ แต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือเสือโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้เพราะอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี่เขาจะว่างอยู่ตลอดการไม่ได้ ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ทั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้นในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเอง อันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จระสมมาสัมพุเตจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุเตจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดคล้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆ ว่าท่านชายศิษถาปฏิบัติตอนที่จะได้สําเร็จเป็นพระพุทธจเจ้านี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกําหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตเที่ยงลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกําหนดรู้ความคิด ถ้าหากจิตว่างท่านกําหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างบนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิดตไป ย, ยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียว ไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในทํำกลางของร่างกายเปล่งและสีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้น แล้วเกิดมีกายกตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนอยย่ทุกวันนี้ซึ่งขกินต้นด้วยอายังโขงเมกาอยู่กายของเรนี่แลอุทาังปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จักริยันตูมีหนังห่มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโรนานัปการัสสอสุจิโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกษาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นตน้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวอ่าปอดกําลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกําลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทางานตามหน้าที่ของตน อย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพบิ้วแล้วทำให้เราองรู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สวดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะ ผู้รูผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุถะฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดําเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารณปีติสุขเอกัขตา เป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌานสมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในจ ต, ติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจะตุถาชฌาน ในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบานเราเข้าถึงบัตรย์สรนคมคือพุทโธธรรมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุ ณ, ณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมา เป็นคุณนธรรมเท่านั้นเจตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอปนาฌานด้วยฌานที่สี่เจตเป็นตัวของตัวเองเป็นอตาธีปะมีตนเป็นเกาะอตาจารนามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอตาหิอตโนานาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตน จิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมจิตมามยับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศสานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่้มกลางแห่งความว่างสัมรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะ จิตรงนี้กำหนดโลกวิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะตะเลิดไปถึงอากิญจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัยสัญญาญตนะตามหลักของสมาบัตแปดแต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจาญานะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัต ซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธเจตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มี จิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งและสมีมาแผ่คลุมจั ก, กรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนนปรามานนสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมด แล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานรู้จุตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคยายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิด รู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานอาสวักคา ย, ยานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติปัญญัตักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมฟิลเตอร์ทีบ่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้ มาต้องการจะรู้อะไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมฟิลเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัต ถ, ถาก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้น าการโลธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลขุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กัน พอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณ พิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมมัยมเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจูตูป่าจุตู ป, ปาป่ายานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรมมังสเตวิพัจติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกัน พิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชชิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทัางหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ตั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในมื่รทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีก เกิดอก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่ย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตมรรคญาณบางเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดาน ถึงเซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพระพุทธมีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการศนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิท ธ, ธัตถะ ท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพูโ้โตถ้าใครไม่พูโ้โธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาระหังใครไม่สัมมาระหังกับั่นก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้ มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุตะเลาะเบาแวงกันทําให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก็เป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นภักเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทําลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่า เหตุหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่ากมเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะสอแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกัน เพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันกรวนจะเป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอ น, น้นใช่ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจความ่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธประธรรมประสงค์ และคุ ณ, ณธรรมที่อาตมาได้บาเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตแล่คุณงามความดีที่ท่านได้บาเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกกรบปริยจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวาง แม้จะปรารถนาลาบชดสันเสริญสุขและอำนาจขอจงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรกผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยดังบรยายมาขอสมควรแก่เวลาด้วยประกาศจะนี้